ตอนบรรยายณโรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษาวันที่19มกราคม2560ตอนที่3มีคำถามว่าต่างอะไรที่ไว้วชนเป็น d i s c เติดวันนั้นก็เต้นก็เคลื่อนไหแต่ใช้สมองใช้ใจเต้นด้วยอารมณ์สนุกสนานแต่เราเต้นด้วยจิตด้วยสมาธิด้วยสติให้เรารู้เท่าทันเอาอารมณ์ออกนะคือเป้าหมายเต้นเงิอนกัน ทำไมต้องใช้เสียงดั ง, งทำไมต้องใช้ความเร็วนะถ้าคนโบราณสมัย 2,000 กว่าปีนั้นนะเขาไม่ต้องแรงขนาดนี้่ต้องเร็วขนาดนี้เพราะกิเลสทขาไม่มากและชีวิตเขาเนี่ยเรียบง่ายตอนนี้ชีวิตเราสับสนคิดตลอดเวลานักิเลสที่จจรวญเราควรจะไปหน้าเกยฑ์แต่มันไม่ทันะมันไม่มีอะไรค้อยว่าเราต้องใช้สติ ทำว่าฝึกสติมีสองระดับนะฝึกสมาธิเจริญสติไปนั่งปวดมันไปเมียกเมียตอนนั้นนกเหมือนสปริงเราไปปวดไ้เขาก็สนุกทั่วรูปนะแต่พอเลิกปวดปุ๊บเนี่ยสปิงมันก็เด้งาอีกนะปัญญาไม่เกิดอันนี้เราดึงสปริงออกเราดึงสปิงออกต้องใช้พลังที่แรงกิเลมันมันไมยอมมัคือสปริงนะมต้องดึงมันออกนะต้องอดทนต้องมีทันติต้องมีศรัทธากับสิ่งที่เราท เมื่อเราเดึงมาได้แล้วเนี่ยก็เป็นเ็เส้นหนึง่งต่อไปไม่ต้องปวดเหมือนเส้นตลอดการไม่มีผลสลบเราทีนี้ในทางโลกทุกวันนี้เนี่ยเราเรียนวิชาอะไรก็แยกส่วนเราเป็นนักกีฬาเราก็ฝึกเรต้องร่างกายไม่เหงื่อไร้ใครย้อยเราก็ อ, อกดทนเพราะว่าเราเราเชื่อมั่ว่าเราออกกำลังกายแล้วเราจะแข็งแรงร่างกายแข็งแรงเราก็แลกกับควาเหนื่อยพอมาฝึกจิตแล้วก็ไปนั่ง ฝึกจิตอยางเดียวก็ฝึกท่ามร่างกายเขาเรียกว่าจิตนิยมนะจริงๆแล้วการพัฒนาจิตทางด้านจเจริญขึ้นวิปัสสนาให้เกิดปัญญาเนี่ยเราต้องรวมทั้งฐานกายเวทนาจิตธรรมในรวมเป็นหนึ่งเดียวนะยกตัวอย่างนะเราฝึกสมรรคธรรมฐา น, นเนี่ยจะเป็นพุโทโธคดียุคหนอฟองหนอก็ดีหรือหรืออะไรก็ดีเนี่ยการเคลื่อนไหวของร่างกาย14จังหวะอะไรก็ดีอยู่ในฐานกาย แล้วก็เปิดพอเราเก้าวหน้าไปข้างหน้ากรายกาสตินะไปเพ่งดูอัติภาพในร่างกายดูว่าไปเพ่งดูสรากศพให้มันเกิดเวทนาให้เราเกิดสังเวชเราก็จางคลายความมึนมัน่นถือมันอ่นในกายภาพแต่มันก็ทำได้ชั่วคราวมันไม่ใช่ของจริงนะเราจินตนาการขึ้นมาเองนะมันก็ได้เห็นอารมณ์เวทนาทีนี้ก็ไปนั่งดูจิต น, นะนั่งดูจิต เอาอารมณ์ของจิตเนี่ยมาเป็นฐานที่ตั้งในการเจริญสตินั่นก็เรียกว่าฝุกสตินะก็เห็นอารมณ์อย่างๆของจิตไปส่องดูบ้านหลันที่ชื่อว่าจิตเราไปส่องดูหน้าหลังที่ยังเปื้อนเก่านะเขาว่าจิตในจิตต้องเปิดประตูบ้านเข้าไปในจิตในจิตไปขัดเตาจิตให้ผปรงใสนะเราทําดีไม่พอเราต้องล้างทั่วก็ไม่พอนะต้องขัดเตาจิตให้ผปร่งใสคือดีที่สิบน ล้างกันหมดช่วงที่ล้างมันตอก็อารมณ์ดีเราก็เรียนรู้กาอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีก็เรียนรู้ต่อมาเราไม่เราไม่ได้มาปฏิบัติเพื่อะทัสงบนะเรามาทําหน้าที่เรามีหน้าที่ยืนเฉยๆเราไปยืนเฉยๆเดินเฉยๆนั i, ่งเฉยๆนอนเฉยๆเต้นเฉยๆมันเป็นหน้าที่ไม่ได้เต้นเพื่ออยากได้อะไรน่ะมันไม่สงบก็มีประโยชน์เราก็เห็นอารมณ์ไม่สงบมันสงบก็มีประโยชน์ก็เห็น นี่คือตัวปัญญานะจะทำให้เราเห็นเกิดัเห็นรูปนามันเกิดมันก็ดับอารมณ์ทุกอย่างก็วิเชี่ร์มันเกิดมันก็ดับจะเกิดปัญญาปัญญามนไ่ารู้มากรู้หมดเลยอ่านพไตรปิฎกอะไรนั้นเป็นแค่ดวงวางรู้ไม่ใช่ปัญญาปัญญาเกิดจากการรู้แจ้งดวจิตคือว่ารู้แล้วรู้เท่าทันกิเลสรู้เท่าทันอารมณ์อารมณ์มันหลอกไม่ได้นะไม่ใช่ว่ารู้มาก อย่างนี้แลเราก็ได้กายฟิตจิตเฟิรมอารมณ์ดีจีบีบีสูงฐานทั้งสี่นี่กายเวทนาจิตทำรวมเป็นหนึ่งเดียวแต่บางครั้งมันเข้าไปเล็กหน่อยหนึ่งเราไปสัมผัสอารมณ์ในอดีตมันต้องเกิดอาการอะไรๆเนี่ยอย่าตกใจนะจำไว้ว่าจิตเรานี่ไม่มีทำร้ายร่างกายตรงนี้จิตต้องอาศัยร่างกายนี่เนี่ยเป็นเครื่องมือเดินทางแต่มเป็นวิบาติไปกูว่าเออเขาเป็นิบัติแล้จะเป็นวิบาต ไม่มีแม้แต่หนึ่งคนนั่งอยที่นี่ไม่มีวบาะนะรวมทุกขูด้วยนะทุกคนมีทันนะ้งนั้นถึงได้มาเกิดนี้แต่ว่าเราก็มีฝ่ายกุศลและจิตลสรเราจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์ปุ้มเปรเสอร์เรามีสมด้านนะอย่าประมาทและอยา่าปูถุกตัวเองเมีสมด้านอยูที่ว่าเวลานี้เนี่ยเราจะต่อ ย, ยอดด้านไหด้านกุศลเรือง้นกุลสมาด้วยสทิทธิขงเราเราเวลาว่าเนี่ยเท่วเกเรเพิ่มกิเลสนะกิเลสมันก็โต เราเวลาว่างเน่มาเรียนรู้เข้าถันกิเลศกีเลศก็หลอกเราไม่ได้เป็นสิทธิผมเหล่านะเอาเป็นว่าพวกปู่ยืงยันเลยชีวิตพวกปู่นี่ยี่ิบแปีอยู่กับสิ่งนี้เนี่ยไม่มีอันตรายอะไรนะบางทีโตระกลางนั้นมันเดินไปถึงครึ่นึงเราก็ไม่หยุดมันเพราะเราเรากลัวไม่ปฏิบัติต่อมันก็แอบเก็บนั้นนะฮะเอามันออกให้หมดเลยชีวิตเราจะเบาสบายนะไม่แยากส่วน กายติดไปด้วยกันนะภาษาจิตวะบยาโฟลิสติกตอนนี้เราเรารักษาโรคสมัยก่อนเนีย่ยคุณเด็กๆนะคุณหมอเขาเรียนดยูเนี่ยตัดคอนะคนนี้เรียนตาจมูกนะปากนะตอนนี้ไม่ได้ต้องสเปเชียลไลส์ตาอย่างเดียวจมูกอย่างเดียวหูอย่างเดียวปากอย่างเดียวแล้วก็ตัตาซ้ายตาขวาด้วยสเปเชียลไลส์ เป็นวิชาที่เราแยกทีนี้ร่างกายเราเนี่ยมันไม่ใช่แยกเกันถ้าเรารักษาหูซ้ายเนี่ยรักษาไปถุงมือก็ทบส่วนอโดยของร่างกายด้วยแต่วิชาการเราแยกส่วนนะเป็นช่วงศาสนาทุกศาสดาเนี่ยท่านเข้าถึงทำเพีย แ, แต่ว่าแต่ละท่านนี่ยก็มีจริยธรเหมือนกันเพราะองต่างๆเหล่ า, า น, นั้นก็เอาจริยธรรมนี่มาเผยแพร่นะมันไม่เกี่ยวกับศาสนาในในๆทั้งนั้นหลอันนี้มันเป็นเรื่องของสากล เป็นแว่าหลายศาสนานี่มีจุดเน้นไม่เหมือกันก็ได้เองมีเทคนิควิธีการที่ักเพื่อให้แรงจันบางคนไปที่ศูนย์ถามว่าวิธีพ่อปู่นี่ทำไมแรงจับวิธีพ่อปูไม่มีวิธีไอที่ไม่มีวิธีคือวิธีพ่อปู่พ่อปูไม่ได้สักก่งการให้ทุกคนทําอะไรทุกคนทําเองนะถ้ามีวิธีเพิเงเองอาจจะมีคนทาถูกวิธีแล้วทาผิดวิธี ไอ้ น, นี้มันไม่มีวิจีมันเป็นนานานจิตตังมันเป็นแต่ละดวงจิตไม่เหมือนกันทุกคนดงเนินเองทาถูกก็เราทำจิตก็เร า, า, เานะแต่ถ้าจิตเป็นตัวดังเนิน์เราอย่ากลัวจิตเป็นนายกายเป็นเป่านะชีวิตพวกปูเนี่ยี่สิบปปีไม่เคยเป็นอะไรกับเขาโดยเฉพาะคุณครูใช้ชีวิตอยู่กีุงเท่ต้องระวัง ออกจากบ้านพุทธมนต์ภนะาวะรถติดนะมนภาวะทางอากาศทางเสียงทางอารมณ์หงุดหงิดสะสมไปมีนะถ้าเกิดเราไม่ดูแลตัวเองเนี่ยนะเราเรียนเก่งๆหาเงินเยอะ ๆ, ๆสุดท้ายก็เป็นเสพติดในนะั่นั่งรถเข็งนะระวังเมื่อเราเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไม่ได้เราต้องเปลี่ยนตัวเองให้แข็งแรงมีครูบาอาจารย์ที่ว่าเศรื่อนะอันนี้เรียนแบบไม่ได้ เอาอยาที่ท่านดื่มมาเลยนะปุงพุ่งกันขับออกได้เลยแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนทำได้เห็นไหมเรากินข้าวเราเคี้ยวเราใช้ฝันเคี้ยวน้ําลายก็ย่อยอาหารนะแล้วก็คืนลงไปลำไส้เรากระเพาะเราตัวย่อยเอาของดีมาใช้ของเสียกับจริงเนี่ยเรามีปุงพุ่งการมีมมูนซิสเต็มโดยที่เรามีแต่ตอนนี้ความเครียดเนี่ยทำให้กระบวนการที่ทํางานไม่เป็นรอย ว ก, กับพอลูชั่นสิ่งแวดล้อที่เป็นพิษอาหารเป็นพิษเราบริโภคเข้าไปเนี่ยมันขังออกมาไม่หมดมเรียกว่าสารตกค้างในร่างกายเป็นมะเร็งเป็นโรคกภนะูมิแพ้ต่างนะเมื่อกี้พระครูบอกว่าวิธีรักษาโรคที่ดีที่สุดคือป้องกันไม่ให้เกิดโรควิธีป้องกันไม่ให้เกิดโรคที่ดีสุดคือรักษาความสะอาดสะอาดจิตสะอาด ร, าร่างกายสาด ส, ส, สิ่งแวลดล้อมที่สิ่งแวลดล้อมไปในบ้านเราทําได้แต่ออกมาจากบนทาง มันเป็นสิ่งที่รอบสุดโดนเราทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องมีวิธีป้อ ง, งอกันกระเพื่ตัวเองแข็งแรงซ้ำนะครับมันไม่ใช่การที่ดีใจอะไรนะบางทีไม่เข้าใจว่าเต้นทําไมหลังทาไมนะเต้นเพรเต้นหลังเพราหลังไม่ได้ทัำเพราะความสนุกสนานแต่มันเบาแล้รู้สึกปิติรู้สึกมีความสุข ม, มันเป็นผลปล่อยได้กันเองนะถ้าท่านทํา ท, ทุกวันนะวันนี้เขาด่าเราไม่ปล่อยใจ ดีใจเสียใ จ, ใ จ, ใจมันก็หลงใจเบื่อนแล้วทั้งอารมณ์ดีไม่ดีทำให้หลงเบื่อนะพอกับบ้านเราอาบนะ้ำทุกวันเราอาบแต่ข้างนอกเขาไม่อาบเอง่อไหลใครย้อยมต้องเป็นเดี๋ยวเขาบอกเขาจะเราจะไม่ไม่สารเราก็อาบไปเราไม่เคยอาบจิตเลยทุกวันนี้เราไปฝึกจิตไปแค่นั่งสมาธิเจริญสติแล้วบอกฝึกจิตอันนั้นไม่ใช่ปฏิบัติธรรมนะอันนั้นเป็นวิชาฝึกสมาธิเจริญสติ ปฏิบัติธรรมต้องจเจริญมรรคผลนิพพานการจเจริญมรรคต้องใช้สติใช้สมาธิเมื่อกี้เราใช้สมาธิใช้สติในการเต้นเราดูประโลกส่วนตัวเรานะถ้าไม่ใช่พลังจิตนะีคุณครูสมัยอายุแปดสิบสาปีทําไม่ได้นะแค่ไม่กี่นาทีก็เหนื่เนี่ยจิตเป็นนายกายเป็นบ่าให้เชื่อมากในจิตเรานะครับ จิตไม่มีเหตุผลต้องทําร้ายร่างกายนี้เขาห่วงมากเขาต้องอาศัยร่างกายตัวนี้เเป็นเครื่องอือเดินทางไปของเขาแต่ใจเราเนี่ยเราเอยชีวิตนนี้ต้องระวังพอเขาด่าเราปุ๊บมันบอกเจ็บใจเจ็บใจจนนอนไม่หลับถ้าเธอไม่ด่าไปคืนหนึ่งฉันจะไม่นอนจิตมันไอ้ใจมันสั่งจิตจิตเป็นภ่าของใจจิตใจใช่ไหมใจเป็นจิตไว้จิตไม่อิสระ จิตเรากลัวว่ามันจะเจ็บใจล้วก็สั่ากด่าไปเลยพราะด่าไมุ่๊ในใจมันบอกว่าเออดีใจนะเราอาหารที่เนิตมันก็ออกรูปก็ออกรูปนะรพอเาด่ามาคือมันบอกว่าด่าด่าคือนี่รูปมันไม่พอใิตกเลยนะจิตมันมันกลัวใจม่นเสียใจมันก็ตกเลยมันได้กินอาหารมันก็ออกหลาน ทีนี้เขก็โตมาบอกว่าหลาไม่พอจิตนลยฆ่าเลยยิงมาเลยขับรถแซงกันเรไปยิงเลยเราก็ยิงเลยชีวิตเราจะจบเลยใจเราเป็นตลอกหลอกเราเปตลอกชีวิตให้ระวังนะนปวดอยจิตให้แข็งแรงต่อไปทําตามเหตุและปัจจัยไม่ใช่ทำตามใจใจเป็นตัวดังเก็บอารมณ์เป็นก้อนเลือก้อนหนึ่งที่มัน ที่ปั๊มเลือดลงหล่อเลียงร่างกายนะแล้วเป็นโกดังเก็บรมณ์ต่างๆจิตต้องไปก่อนที่ใจบ้านหลังนี้ร่างกายเราเเสมือนโรงแรมใจเปรีสมือนผู้จัดการจิตเป็นเจ้าของแต่ผู้จัดการเขาเก่งมากเขายึดพื้นที่ทั้งหมดเลยนะจิตก็ถูกเขาเดึนไปเป็นทา เนี่ยแล้วมาปฏิบัติต้องเต้นต้อแรร์อะรปลกให้จิตเราตื่นเาว่าช์แดนซ์เช็คอัพดวปลุกจิตเราให้มันตื่นแล้วก็โดยใช้เทคนิคแดนเซร์ไซ e ์เเราได้ออกกาลังกายด้วยออกกาลังจิตด้วยนะพอเราเอาจิตนี้ออกมาจากใจแล้วเนี่ยมันอิสระแล้วเนี่ยนะจิตรู้ว่าร่างกายนี้ตงไหนกรนะแต่เรื่องนี้มันไม่ได้ง่าย กูอยู่สนี้28ปีเป็นกำังผ้า27ปีเ้าขามานะพอนอนเบียดเบียดเบเดนะจินมันดึงมือออกมาแลก็ร้องโอ๊ยเจ็บเจบแล้วเอาขานี่แต่แต่ที่ปืนนะถ้ารอใจทำมันไม่กลา้าครับสุดท้ายก็ขึ้นมาเดินได้ถ้าเราใช้ใจทำเดียวเราจะเจ็บป่วยเราก็ไม่กลา้าเพ่ว่าจีนยิ่งเจ็บยิ่งทำเป็นการจ่ายหนี้ต่างๆจีน แล้วสุดท้ายก็ได้กยายภาพบาปักษ์สุดท้ายของฟู้นได้นะไม่ใช่เรื่องสายญาติไม่ใช่เรื่อง อ, อิตาลบัฏิหารนะมันเป็นเรื่องของธรรมาชาตินะมีหมหานี่ปวดหัวักขายแย่กันทัาาง้งภาไม่มีแม้แต่หนึ่งโรคที่เกิดขึ้นกับเราไม่กเกี่ยวกับผลของกาแต่ประโยชน์ให้กังเกลฝ่ายเดียวกังเกลคืออดีตชาติหลายหลายชาติกังเกลโบราณคือป ยกตัวอย่างนะชีวิตนี้ถ้าเราเลือกที่จะมาใช้ชีวิตอยู่แถวจังหวัดที่เขามีอุตสาหกรรมเยอะๆเราก็อ้างเราตอบเดบิวต์ของเราเราก็เสพบนพาว่าไปจะรอเวลานี่เป็นกรมปัจจุบันต่อไปร่างกายเริ่มทรุดโทมใช่กรรมอดีตเราเปลี่ยนไม่ได้เราจ่ายในอย่างเดียวแต่กรรมปัจจุบันเนี่ยเราเลือกได้ว่าเราจะใช้ชีวิตแบบไหนโดยเฉพาะอาชีพครู นะพ่อครูเป็นพ่อของครูเขาเรียกเขาว่าผู้ประกาศโรเรียนเราถเป็นลูกสาพวพ่อครูเป็นทั้งพ่อทั้งแม่เป็นทั้งครูนะเราก็มีโรงียอาชีพครูนี่ยิ่งใหญ่มากถ้ากลับโบราณเขาบอกว่าครูคือผุ้ประสานปิชาคือเรือได้แต่เมื่อ20กปีก่อนพ่อคูมาจากอเมริก า, กาไปอยูที่ฮวนเห็นด้วดกับกัานอ่า ทะเบียนหน้าเจอเลยยังจได้แต่เลขเข้าไปจำไม่ได้เขาเขียนในหลังเลือบอกว่าครูไม่ใช่เรือย่างอีกต่อไปแต่ครูคือผู้พัฒนาชาติไทยเพราะครูเห็นแล้วเพราะครูเห็นความรู้สึกอารมณ์นเดี่ยนี้เลยนะครูกลายเป็นอาจารย์หงอาจารย์ของอาจารย์สานะเป็นแค่ ว, วิชาชีพคูแต่สำนึกความเป็นครูนี่ไม่ค่อยมี เพราะว่าระบบจัดการระบบราชการระบบอะไรในี่ยเขาจัดการให้เป็นแบบนั้นนะครูสมัยก่อนจะเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่ครูไม่ใช่สอนภาษาวิชายอย่างเดียวต้องดูแลทุกสุขของนักเรียนด้วยเหมือนลูกหลานมีปัญหาไปถึงบ้านเลยนะนั่นคือจิตวิญญาณของครูแต่คุณนิยมธุกรกิจนิยมตอนนี้เขาทำลายตรงนี้หมดเลยนะใช้ควา น, น่าเสียดายครูเนี่ย สมัยก่อนที่ยเขานับถือมากเหมือนหมอเมันกันสมัยก่อนเป็นหมอแต่ตอนนี้เ น, น, นี่หมอเมืองไทยถึงข่าดิบหมดแล้วเขาไม่ให้เป็นเป็นนายแพทย์พ่อครูเคยเป็นบรรยายที่โรงพยาบาลรุ่นอาหารสิบกว่าปีก่อนพ่อครูว่าถ้าวงการแพทย์หรือวงการสาารณสุขเป็นแบบนี้ต่อไปเป็นธุรกิจการแพทย์ตอนนี้เป็นแนละ้คุณหมอที่ปฏิบัติทางทุกวิ่งมาบอกกูพ่อคูทําไมด้วยลกหน้าตอนนี้เขาไม่ให้ผมเป็นหมอแล้ว เขามีคลินะิกนะคลินิกหมอหมอกรตอนนี้ต้องเปลี่ยนคลินิกนายแพทย์เป็นธุรกิจการแพทย์หมอได้อดีตเห็นคนไข้ทุกวันหมอปัจจุบันนี้นีเห็นแต่ไข้ไม่เห็นคนไข้นี้ราคาแค่นี้ไข้นี้ราคาแก่นี้คนนี้ไม่มไมเห็นหมอไปรอคุณหมอสามชั่วโมงวินิจฉัยสามนาทีเลื่อนายาไปหองเป็นหูล้ลงยาขนาดนีนอ้อันตรายมาก หมอจึงอายุสั้นไม่ใช่คุณหมอไม่ดีนะระบบมันทำให้เป็นแบบนั้นนะแล้วคนเจ็บป่วยมากมาเกินคุณหมอก็มีเวลาคุณหมอก็เหนื่อยมากทำไมหมออายุสั้นเฉลี่ย52ปีเสียชีวิตละเมื่อคุณหมอรู้เสุขภาพมากที่สุดทำไมรักษาชีวิตตัวเองให้ยืนยาวไม่ได้ทำไมมีหลายแฟกเตอร์นะวิธีรักษาตอนนี้ไม่ขาดก็ตัก มะเร็งมันก็จะฆ่าเธอเอาเลเซอร์มันเองมันเอาขีโมค่ามันไม่ผ่าก็ตัดเนี่ยคือเจตนาดีแต่วิธีการเนี่ยมันฝืนธรรมชาติแล้วบางคนเนี่ยเขาเด็กให้ได้ป่วยมาทุกข์มากเลยบางทีก็ไปซ้ำเติมให้เขาเป็นนี่เป็นสีนีมันเป็นกรรมเลยพูดเกินมอจาบัญชาไม่ใช่หมอจามชาเท่าหรือ พอจ่ายไปโพลิสติกไม่ใช้ยาเลหมอบางครั้งบางครั้งกคิดเรื่องบุญนะและคิดเรื่องธุรกิจมากมายแต่เราต้องอยู่ได้แต่ทุกวันนี้เป็นธุรกิจการแพทย์เป็นธุรกิจหมอ่างเหนื่อยสั้นอยู่กับสายเคเบิตลอดแล้วหมอทางานหนักมากนะพรากูเคยมีเพื่อนเป็นผู้ปการราบที่อ้วนสมัยก่อนตื่นเช้ามาเปิดคลินิกชั่วโมงนึงก็ค ในบริหารโรงพยาบาลเที่ยงกินข้าในรถเปิีนิคชั่วโมงนึงต่อตอนเรียนเปิดคีนิคไม่ให้รวยรู้ไปก็มีเวลาใช้แต่สุดท้ายก็เป็นมาเรื่อตอนนี้วิชาการเนี่ยเขาแยกแขนแองเขารู้เรื่องเดียวยแต่ว่าชีวิตเราไม่ใช่เรื่อเยยงเดียวไม่ใช่กายอย่างเดียวต้องจิตด้วยเห็นไหมต้องอารมณ์ด้วยแต่โปรแกรมนี้เนยกายขึ้นจิตเพิ่มอารมณ์ดีชีวิตดีส ทำไปเรื่อยๆนะถ้าเชื่อมั่นในตัวเองรนะลุมิคุ้มกันมันจะเกิด น, นะพ่อคุย28 ป, ปีไม่ต้องกินยาแค่ปุยไปแต่เป็นหนึ่งในขณะที่อดีตนี่เป็นไมเกรนขนาดนั้ยุโรนอเมริกาเราเป็นนักกินผู้ยญิงใหญ่าเคียดก็หลบกระป๋อมันทุกทรมานก็แก้โดยเอายาเวลาง้างมาันเมื่อดิจยาบรรพ์นนมันก็ปวดอีก หนักมากมังจะกลายเป็นโรคหัวใจแล้มไม่ใช่เรื่องเงินนะเงินเป็นบ้านเป็นวังเป็ น, เ, น í, เรื่องสัจสีเรื่องความไม่พอของเรานะเร็วๆนี้ที่ศูนย์เราก็เปิดอบรมเศรษฐกิจพอเพียงขนอะงเรนของเราทางหน่นวยกองทัพเขก็ไปร่วมกับพวกครูไปใช่นะพวก ค, คนะรคูบอกว่าการที่จะมาช่วยให้คนจนรวยขึ้นนี่มนเป็นไปไม่ได้วิธีจะแก้ไขคนรวยก็คือขอร้องคน วิธีแก้ไขกวนจดคือขอร้องกวนรวยในคอยดรวยถ้าไม่มีรวยก็ไม่มีจนนะคื อ, อยิ่รวยเท่าไหรยิ่งเก่งก็กยิ่งก้าวไปข้างหน้าเขาก็มีมกาลังไอ้นคนที่ไม่มีก็ไม่มีมมนนะเนี่ยนะเนี่ยเมืองไทยในเราเร็วนี้ยได้อันดบามของโลกสอง้อยประเทศทั่วโลกเได้อันดบสามคือควาเมเหลื่อมลนะสาพแบบนี้สมบเย็นไม่ได้คนไม่มีะกินเนี่ขาก็ต้องเอาตัวรอด ใช่โดนภัยก็น่ากลัวก็ไปขายยาเสพติดถ้าคำว่าจนแปลว่าไม่มีไม่ได้แปลว่าทุกรวยแปลว่ามีไม่ได้แปลว่าสุกเพราะครูยากรวยมาแล้วนะไม่ใช่ยากจนนะตอนอยู่อเมริกายิ่งรวยยิ่งยากนะยิ่งเปิดสาขายิ่งตะมุนตะม่วงไปหมดเลยไม่มีเวลาอยู่กับลูกกับเมียไม่มีเวลาไปตะมุน อันนี้เขาเรียกว่ารวยเงินแต่จนชีวิตคนที่ไม่มีเวลาให้กับตัวเองเจะจนชีวิตมากบางทีเขาลายงานเพราะตู่เพราะครูลุงแดงตายลุงแดงอายุเท่าไหร่อ า, า, ายุ90สลุดงดีตายอายุเท่ร่อายุแปอายุคืออะไรอายุคือเวลาชีวิตเราคือเวลาใครมีเวลาให้กับตัวเองมากที่สุดคนนั้นรวยที่สุดแต่ตอนนี้เราเรวยเงินแต่จนชีวิตนะแล้วสุดท้ายบ้านปลาอีิเด้งห พรว่าเราใช้ชีวิตเราเนี่ยเพื่อจะสร้างฐานะเนี่ยเราต้องมีอาชีพนะทุกคนต้องพยายามแข่งทั้งไม่ใช่ไม่ทำแต่ว่าทําแค่พอดีนะทุกวันนี้สมมุติเรามีเงินเดือนหมื่นหนึ่งแต่เราใช้ไปหมื่นสองหากลบแล้วเหลลบสองพันแต่บางคนก็มีเงินเดือนแค่ห้าพันเขาจ่ายไปสามพันหากลบแล้วเขาเหลืออยู่สองพันคนไหนมั่นคงกว่ากัน เราคิดวามีเงินเดือนหมื่นนี่เราหมดมีรายได้มีให้ไม่เป็นแค่รายรับรายรับขาดรายจ่าย็นรายได้คนมีรายรับห้าพันเข้าจ่ายไปสามพันเขาก็มีรายได้เหลือสองพคนที่มีรายรับห่าพันมั่นคงกว่าคนที่มีรายรับหมื่นคำว่ามั่นคงคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะแต่ละคนส ituation นนิสือสานภาพไม่เหมือนกันตอนนี้เราถูกทุนนิยมมาถูกนิยมเนี่ย มากระตุ้นให้เป็นผู้บริโภคนิยมถ้าเราไปเป็นั่บริโภคเราก็่เห็นว่าถูกแล้วเนี่ยเขาจะรวยขึ้นได้อย่างไงเราไปช่วยสร้างให้เขารวยขึ้นแต่เราเบรกไม่อยู่แล้วนะโลกนี้เขาปกครองด้วยทุนนิยมเสรีเมื่อกี้พวกกูพูดคำว่าเศรษฐกิจมันแปลว่ามัจฉานมันแปลว่ามัจฉายนอีโคโนมี่มันแปลว่าเศรษฐกิจมันแปลว่ามัธฉายน์ใช่ไหม มันไม่ได้แปลว่าคุ้มเฟคุ้มเฟือย อ, อีโคโนมิสคือเศรษฐศาสตร์สอนให้คนรู้จักมัยรู้จักใช้กกทรัพยากรของโลกอ ย, ากอยาก่างหนย่งแต่ตอนนี้ทุนนิยมถ้าประหยัดเุกเติเขาจะไม่รวยขึ้นก็สอนให้เราคุ้มเฟ้อคุ้มเฟือยตอนนี้ประเทศใหญ่ๆเมืองใหญ่ๆทั่วโลกนี่เจอปัญหาอะไร ห, รไหขยะสารินไม่ใช่เสือนะไม่ใช่ลิงีมืม น, นุษย์เพราะคุณให้ แต่ไม่ใช่รังเกียจเราต้องอยู่กับโลกนี้อยู่กับสัคงคมนี้แต่ต้องอยู่อย่างชาญฉลาดเพราะเราเปลี่ยนเขาไม่ได้เราก็มีความด่าแต่ด่าแค่พอดีได้ไหมนี่แหละคือเศรษฐีพอเพียงมีกุ้งกลับคนรุ่นามว่กูว่าถ้าทุกคนพอเพียงกบ้านถึงก็ไม่เจริญบอกกุ้งกับเข้าใจดีแล้วพอเพียงมีมากก็พอใจมีน้อยก็พอใจแต่ไม่ได้แปว่าพอแล้ว ต้องขยันแข็งแก่งทังงงต่อไปเพื่อให้เรามีส่วนเกินจะได้เป็นเศรษฐีถ้าคนรวยเข้าใจาเศรษฐกิจพอเพียกเขาจะเป็นเศรษฐีทำจริงนะเขาจะมีส่วนเศษส่วนเกินเพื่อไปแบ่งกันแบ่งไปนั่นแหละคือการแก้ปัญหาสังไม่ใช่มามาพัฒนาให้เรารวยขึ้น2 8ปีหมู่บ้านพวกกูอยู่นะเขาจนอยู่ดีๆ นักวิชาการเราไปสอนพัฒนาให้เขายากอยู่เขาจนอยู่ดีๆเ็ไม่มีตังค์แต่็อยู่ดีเผื่อสิรตอนในน้มีบาในนามีข้าวในป่ามีสสนุไปมีหน่อไมมีเห็ดเขาไม่ได้เดือดร้อนตื่นกี่โมงก็ได้ขยัยก็ได้คีดเดกก็ได้ไม่มีใครมาอยุกับเราเห็นมเหมือนคุณลุงคนนึงีลูกชายก็เป็นอาการบดีหาเงินเองนะอน เขาเคยเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวอาหารเชา้าอาหารเที่ยงเสร็จปิดร้านเช่นโต๊ะบายสารปิดร้านแล้วนั่งตีกิมครองเท่ที่นี้มีผู้หวังดีว่าให้ยมันไม่เจริญเติบโตนะสอนให้ผู้ น, นี่อยู่สิาานธนาคารมาเปิดพัฒนาคารใหญ่โตจากขายก๋วยเดี๋ยววันเดีย ว, วนนแค่พันบาทเลี้ยงลูกมันเจริญเติบโตลูกจะเป็นอธิรที่กลางดีแต่พ่อไมเติดพัฒนาคารใหญ่โตขายเป็นมื่นนะ เที่ยงคืนก็ยังไม่นอนไม่ป่อยากนี้เหมือนเราไปบ้า GDP เปอนกนันว่าเรามา GDP เยอะๆเๆเยอะนใหญมันเป็นตัวเลขเห อ, เหอกเหมือนบ้านเมืองเองทุนนิยมบอกว่าเขาไม่เขาเชื่อมัน่นเขาจะได้มาลงทุนบ้านเมืองเขาจะได้เจริญถ้าการลงทุนมันช่วยเหลือประเทศชาติจริง ๆ, ๆต่างชาติที่มาลงทุนในเมืองไทยเ น, นี่ยพวกนี้ง้อหมดเลยทำไมไม่ลงทุนประเทศเขาให้มาจเจริญ เขามาลงทุนที like like like ่น like ี่เขาใช้แรงราคาถูกเขามาปล่อยเงินเพราว่าที่นี่เราต้งรับชอบแล้วก็มีรื่สีการมีสิทธิพิเศษมากเลยนะแล้วก็เราต้องขายข้าวราคาถูกอีกมาแลกเงินดอลลาร์เพื่อจะไปซื้อน้ำมันซื้อพลังงานมาผิตกระแสไฟให้เขาเขาส่งโขกจีดีพีขึ้นส่กไปล้านนึงมาถึงบางใครกส่งไปบ้านเขาก้าวแสนเอาแสนนึงมาจัดไปจ้งอะไรกันอยู่เราก็ได้ภาษีทางตรงทาง ไม่คุ้มกับการรักษาพยาบาลกับการรักษาสิ่งแวรอไม่ใช่จูนิยมเขาตั้งใจหอรอก น, นะเขาก็ถูกความคิดผิดเขาหลกนั่นแลหละครับถอยกลับมาเป็นไทยเราเคยเห็นเด็กฟุตบอลใช่ไหมคุณครูเคยเห็นกฟุตบอลใช่ไหมเห็นฝร 9, นั่งไหลขาเายาวกว่าเราเขาก้าวนึง้ซอยสามกันเาไม่ซื้อมูทเา เราเล่นบาสเกตบอล c ช่ไหมเวลาเขาขเด็กเขาหนขึ้นเยัดลงไปอย่างนี้มชกอย่างนี้ลเราจะสู้ได้กลับมาชกมวยไทยดีเกตอนไมไปเบาเาีมอเราชกมวยไม่เป็นแต่เราอยากเป็นชอยากรวยเราขึ้นไปชกนน้องทุกครั้งเพราะครูสอนนตว่าเหมือนเราชกมวยไม่เป็นก็ไม่กมเนเกมที่เราเนเนี่ยถ้าฟังในหการที่นอยเ ทุกคนไปกลับมาเป็นไทยตอนนี้เราเป็นไทยอยู่ดีๆบางทีเราก็สอนลูกหลานให้ไปเป็นท่าไปตามเขาฟอลโล่สปีดีหายตามไปว่าไม่ตันนะครับที่้กูฝากไว้ทีนี้วิธีแก้ปัญหาชีวิตเราได้ทันทีเลยเดีเพิ่มลายได้โดยการลดลายจ่าเพราะว่าจะเดินทางมางเกษตรกรไปดูงานที่ศูนย์โคกูสาวร้อยกว่าคนอำเภอดับไป พวกูก็เอาน้ำปวดเดงมานะเด็กๆก็ทำลูดอกให้พกูลูกดอกอยาทิสดอกพดึงมาดอก่งก็เข็มมาเล่าพกูก็เสียบไปหัวนี้มันมันก็รั่ดึงดอกนีบอกการขนาดก็เสียบลงไปันก็่วยูดีกนี้บอกยาใส่ก็เสียบลงไปกันก็วยดอกสุดท้ายนี่สิ รั่ ว, วมันกำลังรั่วแล้วตอนวี้หาคือนะเสร์กระสนพยานแล้วก็เทเข้าไอีกถามว่าชีวิตนี้มันจะเต็มไหมวิธีแก้ปัญหาเศรษฐกิจเราอันดับแรกก็คือว่าเพิ่มรายได้โดยกา ร, รลดรายจ่ายปุณฑูรั่วเดี๋ยวนี้รายได้เท่าเก่าแต่เราจะไม่เดือดร้อนค่อยๆจ่ายหนี้ไปไม่หมดความไม่มีหนี้สินเป็นล่ามกระเซิรแต่คุนนิยมเนี่ยเขาไม่ชอบถ้าใครไม่มีหนี้ เขาบอกว่าไม่มีเครดิตพราะกูไปโยชนอเมริกามีแรกพราะกูว่าแอปไทยเครดิตการไปมันได้มาหมดเลยเอาเงินไปฝากธนาคารแสนเหรียญเราใช้มีเงินแล้วแอปไทยไปมันไม่ได้ดีมันไม่เชื่อคนมีเงินเธอต้องมีดีเอ้ยไอ้นี่ง่ายมากพรากูเอาเงินแสนหนึงนั้รับประกันตัวเองกปกูเงินธนาคารแล้วก็เอาเงินก้อนเ่อไปเปิดสาขาธนาคารก็ทำเงินกันโอเคสิ้นเงินต้นจ่ายนะมันส่งเงินได้ ไม่ต้องรอสิ้นเดือนมาที่15ก่อจ่ายก่อนจ่ายก่อนจ่ายก่อนเดือนที่สองจะทำเป็นไปก็ดับเบเอดับเอเดือนที่สามที่พวเอทเอไอคอมพิวเตอร์ A. A มันไม่ได้เก่งอะไรเราใส่ข้อมูลผิดมันก็ผิดตอนนี้แอปพลยไม่ใช่โกงทางนซะิวเวอร์ทาอะไรมากมดแต่พ่อคู ต, ตัง้งคณิธทานว่าถ้าพ้อคูเป็นปาใหญ่ไม่ได้พ่อคูจะไม่เป็นปาในท้ายิไม่ผีปี่พ่อคู่มาสร้าง แต่ว่าสุดท้ายเมื่อเราไปนั่งวยนะถูกยกมือวัดชนะแพ้ก็เจ็บชนะก็เจ็บพ่อคูก็เลือกที่จะเลิกชมนะเลิถอยไปอยู่ในป่าเพราะพ่อคูเปลี่ยนเถียไม่ได้คุณคูเปลี่ยนเถียไม่ได้คุณคูเปลี่ยนนโยบายไม่ได้คุณคูจะเปลี่ยนลางสูตรก็ไม่ได้เราจะทําเท่าที่เราทําได้นะสอดแทกคุณธรรมให้เด็หน่อย คือเด็กไทยนี่น่าสงสารมากเขาก็รับผิดชอบเขาขยายมาถึงในโรงเรียนไงบางที่การที่สุดเรียไม่พอเสาที่เขาไปกดวิจัยเขาไฟดีไงเขาก็ไฟดีเขาไปสอนหาวิทยาลัยดังๆเขาเอาร้อยคนเด็กเราสอนในที่ร้อยศูนหนึ่งมันก็รองให้สารคนทำลายเด็กตลอดเขาก็ไฟดีไงแต่ถ้าเขาไปเปลี่ยนคนชั่วไหมที่จรงล้วสั่งคมนี้ ต้องกลับกันนะเพราะห่วกถ้าเรารักธาเด็กเก่ากเด็กเราปีเด็กเด็กเด็กเไม่ต้องไปเรียนอรงเีนดีๆหรอกเอาคนไม่เก่งไปเรียนโรงเรนดีๆแต่ตอนนี้เราทัานสรรคนเก่งและคนไม่เก่งก็เปลี่ยนขยะทั้งหมเห็นไหมคนเก่งที่สุดนี่ใครจะเลือกอะไรทุกคนเด็กนเมืองสวนมาก9ก้าเเลือกคุณงหมอถามพวกคุณแล้วพูกคุณจะไปเรียนหมอหรือไปอยู่ซั คุณหมอเใช้เป็นคนไม่ดีนะแต่เข้าไปควบวงการหมอเนี่ยเขาจะทำให้คุณหมอเป็นแบบดีเราเอาเงินไปเป็นที่ตั้งพราะเขาบอกเออถ้าทํางานหมอได้เงินเยอะเนี่ยถ้าอยากได้เงินเยอะอย่าไปเป็นหมอไปเป็นพ่อค้าเลยอาจจะเป็นมหาเศรษฐีก็ได้เป็นเจ้าของโรงพยาบาลดีกวเป็นหมอแต่ถ้าจะเป็นหมอที่เป็นหมอที่มีเจตใจเม่ตารักษาเกิดมาล้นที่กังวรจะเป็นแต่ตอนนี้ทุนนิยมเนี่ยเขาไปใส่โปรแกรมลูกหลานเราเนี่ยนะคือ ให้เป็นแค่ธาตของเขานะก็พ่อคูก็กกกแบบ่งปันประสบการณ์นะไม่มีใครสอนใครนะ68ปีพ่อคูนี่ไม่บังอาจใช้สมองโง่ของตัวเอง68ปีมาสอนจิตแต่ถ่ายทอดประสบการณ์จิตตะละวงนี่ไม่ใช่ธรรมดาเราอายุหลายหลายชาตนะินนะเข้าไปหาเขาแล้วก็เอ า, า, เอาไปไัญญาเกาเราออกมาใช้ แต่แรกก็เกิดว่าเมืเ่อจากชีวิตเราที่ไม่มีเวลาเนี่ยค่อยๆทําเช็คแอคเดนก็ออกนะให้มันมันม่นคงพอเรเข้าไปในจิตแล้วเนี่ยมันจะควบคุมได้ก็เห็นครูก้อยว่าเดินมีนาที่เชิญพ่อคูมามาอยู่ที่ดี่สาวันคควพู่ยินดีอยู่ที่นี่แล้วก็มีอะไรามาแลกเนลี่ยครับแล้วก็พวอคูยืนยันว่าชีวิตพวกคูได้ถึงวันนี้เพราสิ่งที่เรา มันไม่มีโทษอะไรเราก็ได้ออกอายาฆ่าบำบัดโดนตีบำบัดจิตบำบัดสมาธิบำบัดล้างทิศทางอารมณ์ไม่ได้เสียอะไรนะมีโทษมีแต่ประโยชน์และสุขภาพร่างกายเราก็แข็งแรงในโอกาสที่เราพึ่งอย่างก็น้อยลงนะตอนนี้มีอะไรก็กินยากินยาไปหาหมอพระมหาศรีสมัยเนี่ยยุคเสด็จเก่าๆนะตอนอายุตอนนี้อายุเก้สรุ่นแรกใน28ปีก่อนตอนนั้น ยังไม่แก่ขนาดนี้อ่อนๆแอบๆเดินเดินลุกไม่ขึ้นปัจจุบันนี้ร่างตสองปีไปเที่ยวอยู่เรื่อยปีที่แล้วไปรายงานว่าลูกก็พาไปตรวจร่างกายเช็คสภาพร่างกายแต่ว่ามันปกติคุณหมอผู้หญิงอายุแค่สามสกว่าถามพ่อมาสบายดีไหมพ่อมาบอกพ่อมาสบายดีพ่อมาถามว่าคุณหมอสบายดีไหมคุณหมอบอกไม่ค่สบาย คนสบายดีไปหาคนไม่ค่อยสบายกัหมอเครียดมาทีนี้ชีวิตจะไม่มีทางเลือกเลยไม่สบายเราก็หาหมอหาหมองเราไม่เคยคิดซึ่งตนเองเลยนะครับถ้าไม่อยากเสียเงินการที่เราเต้นนี้ก็เศรษฐกิจพอเพียงนะถ้ามุกเจ้าอะไรก็เศรษฐกิจถ้าเราแข็งแรงเราก็ไม่เสียเงินรักษาโรคไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปจ่ายคนะ่ายานี่เป็นเศรษฐกิจพอเพียง นะถ้าคนไม่ประมาทนี่ต้องรักษาตัวเองให้แข็งแรงนะครับเอาเป็นว่าพวกครูเมื่อเช้าคุยไปเด็กๆว่าเราเรียนเพื่อชีวิตคุณครูทํางานเพื่อชีวิตโดยเฉพาะอาชีพครูเนี่ยถ้าคุณครูเข้าใจอาชีพครูจริงๆเนะี่ยสุดยอดจะเป็นผู้ภาษาวิชาเป็นผู้ให้ทานเราได้ทุก ว, วันนะไม่ใช่ทํางานแค่เดือนเป็นเดือนเป็นเดือเป็นป่วยอ่วยได้เราต้องตั้งรกรุ นะแล้วก็เสียเวลามาแบ่ชั่วโมงสิบชั่วโมงเหมือนกันเนี่ยต้องได้กําไรความสุขด้วยได้ให้ทางด้วยเห็นไหมมันเป็นอาชีพที่ได้ประโยนมากเป็นผู้ให้นะก็แต่ตอนนี้นีทุกอาชีพเนี่ยถูกธุรกิจนิยคมครอบงำแล้วนะลเนี่ยเราเปลี่ยนไม่ได้ทั้งหมดเป็นอย่างนี้แต่เราเปลี่ยนเองให้เพืเท่าทันมือนได้อยู่กับมันให้ได้ไม่ใช่ทุกคนปฏิบัติแบบนี้ไปอยู่ในป่านะ ไม่ใช่อยู่ที่นี่แหละอยู่กับความจริงนี่แหละแล้วอ้ใชานที่นี่เป็นตัวฝึกจิตเราให้รู้เท่าทันนะเด็กๆที่ศูนย์นะโดยเฉพาะลูกสาวพวกผู้เองตอนนี้เป็นผู้โดยการโงเนีย น, นะพวกคูณสอนเด็กๆเลยให้เขาอยู่กับโลกให้ได้รู้เท่าทันโลกแต่อย่าไปตามโลกมันเปลี่ยนรลกใหม่ทุกวนะไม่ใช่ไปตามโลกเราต้องสอนเด็กๆให้ต้องสร้างโลใหม่ อย่าไปหลงใช้รุนใหม่พวกเราเอง28ปีกักแบโทรศัพท์ไม่เแต่ไม่ปเป็นเสียนุกนี้ต้องใช้แต่ใช้ไม่ได้นะอย่าใช้ให้มันเสียเงินหมดโทรไม่ไดนะ้แบตเตอรี่หมดไมนะ่เอามันมาเรียกมันเฉยๆเป็นภาระเลยเฉยๆถ้าอย่า้ใหญ่ตาใช้แล้วมันเสียต้องใช้แบบไหนต้องใช้แบบวิสเตอร์แจ็คมานั่นแหละมันใช้พวกนี้แหละ หลายเดือนที่ผ่านมาเขาเรียกว่าวันอะไรนะวันวันคนโสดของเมืองจีนะวันเดียวเขาขายสินค้าออนไลน์ได้เนะี่ยกี่หมื่นล้านบาทหกหมื่นล้านบาท ต, ต้องใช้แบบนัน้แต่ไม่ใช้เป็นแค่ผู้บริโภคอะไรเนี่ยพราะนั้นเสียเวลาชีวิตนะครับเทคโนโลยีต้องใช้แต่ใช้ให้มันเป็นอย่าใช้ให้มันตาย เมื่เด็กเยาวยชนตอนนี้ขี่มอไซค์พวกกูเตือนอ่เลยนะขี่ให้มันเป็นลูกไม่ใช่มาเ้ยขี่ทุกวันนี้ตายอะไรๆโค้งตายเลยเลยขี่แล้วมันขี่ไม่เป็นมไปขี่ให้มันตายอย่างนั้นอยา่าไปเลี้ยงไปขี่เทคโนโลยีต้องใช้มันเป็นมีประโยชน์ทางการศึกษาหรือทางด้านสร้างเศรษฐกิจเราไม่ใช่เป็นเล่นมันสนุกสนานนะ่า ร, ารูอโรมวันเราทํางานเหนื่อยมากเลยยังต้องไปดูดอ า, ารมณ์พวกนี้เข้ามาเนี่ยนะับอกพวกกูแล้วว่าสีมันไี่ ตอนนี้พวกปู่นานๆมาเจหนึ่งไม่เห็นอยู่ร้านอาหารสังอาหารมาก็ถ่ายปุ๊บส่ให้เพื่อนดูนอนไม้หลังก็บอกบ้านเราคนโบราณก็บอกว่าอย่าชักศึกเข้าบ้านอย่าวเรื่องภายในไปบอกข้าขงนอกอันนี้เราเผยไ่าหมดเลยเปิดกระโปรงหมดเลยไม่ใช่ชารฉลาดนะคนโบราณจะบอกรู้เขารู้เรา ลบสิครั้งชนะสิบครั้งอันนี้จะไป่อบอู้เขาจะไม่เคยเห็นกําลังตัวเองเลยตื่นเช้าก็มาลืมตาเห็นแต่สีฟันยาสีฟันเห็นเสื้อผ้าพ่อแม่พี่น้องเห็นการเห็นการเห็นเงินเห็นทองก็คืนหลับตาลงไม่เห็นอะไรเลยมันโนตาบอดแล้ไม่เคยเห็นตัวเองเลยโลงแก๊กที่เราทำเองถ้าไปที่สุนย์ประหลาดไฟมีห้าโลงแก๊เช้าสายบ่ายเย็นตอนตอนขําเลย อยู่กับตัวเองตลอดเมื่ออยู่กับตัวเองตลอดเราก็เห็นตัวเองตลอดเราก็รู้กําลังตัวเองแค่ไหนรู้ว่ามันมีกิเลสอะไรบ้างอยู่ข้างในเห็นไหมต้องรู้เราก่อนเมื่อเรารู้เราก่อนเราก็มองเขาเองมองตาเดียวก็รู้แล้วร่างกายเขาต้องตอบด้วยดินน้ำลมไฟเหมือนเราส่วนประกอบเหมือนกันแล้วเราจะรู้เขาชัดเจนต่อไปเนี่ยจําเป็นต้องสู้สึกต้องชนะทุกการอันนี้เราไม่เคยรู้กําลังตัวเองเนะมันโกรธ พวกคูแรกเน่เป็นคูเนี่ยใครเปิดมาไม่เคยโกรธบ้างยกมือขึ้นใครไม่เคยโกรธบ้างครับแสดงว่าเคยโกรธบาคนถามว่าโกรธดีไหมโกรธมีความสุขไหอุยทุกข์มากโกรจนนอนไม่หลับแล้วโกรธทาไมต้อเป็นผู้รู้จริงไหมนะมื่อหมอไปสูนะเวียนเวียงเวียนิ่งกปเวลาที่งขป่าไปเฉลิ กูถามว่าคุณหมอสอดบอลให้สูงไหมบอกไม่คุณหมอสูงทําไมเห็นไหมองค์ความรู้ทุกวันนี้คุณรู้จริงไหมสมองรู้แต่จิตไม่รู้มันเข้าใจแต่ไม่เข้ า, จ, ขาจิงถ้ารู้จริงๆก็อย่าไปสุดทำร้ายตัวเองสิเพราะกูเนี่ยสูบบุหรี่วันหนึ่งสสีสองเป็นเวลายีิบปีจิบเหล้าตุา้งี่หอเหนื่อยก็รู้ไงแต่ไม่เลิกไม่เป็นพยายามเลิกบุหรี่นะสี่ครั้งหาหมอด้วยเอายามาอมทีนี้อมด้วยสูดด้วยบอก คือทำที่ยี่เป็นเบาหวานตายก่อนนมะเร็งความรู้ที่เราเรียนรู้มันรู้จริงไหมถ้ารู้จริงเราทำลายตัวเองทำไมนี่แหละพอเราเหวี่ยนเรามาเต้นอย่างเงี้ยปัญญาไม่ได้เกิดขึ้นไม่ใช่ผ่านเหตุผล น, นะว่าเอออย่าสูบนะมันเป็นมเนะเร็งอย่าสูบถนะ้ามันเสียงเงินไม่ผ่านเหตุผลเ น, นนะี่ยคือมันไม่เอาเลยมันทําลายกว้างให่เราก็ไม่ต้องสูบ เ, เราก็ไม่ต้องเสียเงินสุขภาพเราก็ไม่ต้องเสียนี่คือคําตอบว่าเรามาเต้นทาไม เราปฏิบัติทำไมนะครับมีประโยชน์มากคุณปู่ต้องอดทนหน่อยหนึ่งตอนนี้กีฬาเราก็ต้องเหนื่อยนะแล้วฝ่กจิตมันก็ต้องแลกับความเหนื่อยแต่สุดท้ายผลก็คือกายคฟิตจิตเฟื่องอารมณดีชีวิตมีสุขนะวันนี้พวกกูก็ขอขอบคุณคุณปูณทั้งหมดที่เสียสละเวลาพักผ่อนเหน่อยปทั้งวันให้เบให้พวกกูมีโอกามาแบ่งปันประสบการณ์นะก็ วารัฒนากุศลศีรัตนาไตายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสารวันจักรวาลพร้อมทั้งบุญบา ร, รมีที่ได้ร่วมกนันปฏิบัติมาได้คุ้มครองอายุคนอยู่เย็นเป็นสุขอายุ ม, มั่นพันยืนบรรลุมักคผลที่ผ่านหน่ยหวยว้ยเทิน จะได้แรกเปลี่ยนเนาะทุกคนจะได้มีประโยชน์จะได้ยินด้วยกันกันเชิญครับ ไม่ใช่ผีที่ไหนนะคือจิตเดิมเราจิตเดิมเราครับนั่นแหละเพราะเพื่อเจ้าเกงว่าอยากพเชื่อคนที่พูดเป็นครูบาอาจารย์เราถ้าท่านสอนโวยภาษาพุ๊เนี่ยพอเป็นออกมาปุ๊บภาษามันจะจา่าเกินไปที่ทุกคนจะเข้าใจเหมือนกันปุ๊บาาไม่ได้ไม่เท่ากันอย่าเชื่ออย่าพึ่งเชื่อตำราอย่าพึ่งเชื่อตำเล่าการ น, นะเข้าไปในจิตเราไปเรียนรู้กับ อ, อาจารย์เราอาจารย์ของทุกท่านต้องไม่เหมือนกัน นั่นล่ะอาจารย์เราคือจิตเดิมเราที่เขาบอกว่าจิตเห็นจิตคือมรรคเอ๊ะมันมีสองจิตเหรอมันมีจิตเดียวแตมัมีสองหน้าจิตปัจจุบันเนี่ยเราเกิดมาเป็นเบบีเป็นเด็กคารกคุณพ่อคุณแม่ไปตั้งชื่อบัญชาและลูกบัญชาพ่อแม่เรียกมันมีความสุขโดยเขาไม่ได้ปรึกษาเราเลยตอนนั้นปรึกษาเราก็พูดไปเป็นแถงศาสน า, าไม่ด้วยพุทธนรูปอิสะะลามนรูปฮินดูนรูปคริสต์นรูปโดยที่เราไม่รู้มันคืออะไร ก็ส่งเราเป็นเรียนวิชาสา ร, าร้างอนากตเราไม่เคยรู้เลยว่าเราเป็นใครใครบ้างที่นั่งที่นี่รู้ว่าตัวเองเป็นใครช่วยยกมือบอกปอาปู่หน่อยหัวอายุเราเป็นใครกันแน่ไอซีที่นั่งอยู่ตรงนี้เนะี่ยที่เขาเรียกชื่อว่าบัญชาเนะี่ยมันคืออะไรมาดังไหนนะเราไม่เคยมีใครสอนวิชาชีวิตนี้เราเลยชีวิตเราเราจะกลายเป็นสิ่งที่คน อ, อื่นอยากให้เราเป็น ภาษาไทยนี่มันไม่ใช่ความจริงนะภาษาราภาษาเขมรภาษาอกีษภาษาจีนเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์สมมติขึ้นมันไม่ใช่ความจริงแล้วก็คิดต่างภาษาเห็นไหมพูดต่างภาษาส่วนความจริงนั้นนี่ยมันออกมามันไหลออกอยากไปหาคําตอบว่าจริงก็เปลียยนทิ้งไม่จริงก็เปลียนทิ้เรามีหน้าที่ตัดเก่าจีนให้เหมาะสมสุดท้ายจบว่าไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างเป็นความจริง สมมตินในอดีตเนี่ยเราเห็นอดีตว่าเราก็เป็นเจ้าพ่อนะนะแต่มันผ่านไปแล้วมันเป็นอนันตตาไปแล้วแลขณะาตัวเรานั่งอยู่ทีนี้ไม่ใช่ความจริงถ้าเรารีวายไปดูตอนที่เราเกิดใหม่ๆเป็นเบบี้เป็นเด็กาลุกเอ๊ะตอนนี้เราโตแนละ้วคนเดียวกันหรือเปล่านะมันมันเป็นอนิจจังทุกสัตว์มันเปลี่ยนไปนะ มันเป็นของั้อข่าวตัวเรามีจริงคําว่านั้ตาไม่อยากแปลว่าไม่มีตัวตนมีแต่มันไม่ใช่ตัวตนที่แน่นอนมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ตัวขว่วระเบสายนี่คือกฎเปคนกเกณของธรรมชาตินี่คือธรรมะสูงสุดตอนนี้ทุกคนก็รู้ว่าอย่างเป็นถ้าในสายพุทธเราก็าบอกอาจารย์ทุกทางนั้ต า, า, า, า, าทุกคนท้องจำได้หมดแต่เราเข้าถึงมันยาง ถ้าเราลีไว้ก็ไปถึงแล้วเี๋ยวเราผานมาหลายต้นหลายใช่มันเกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายมันไม่จิตลังจยืนเมื่อจิตเขาเห็นแล้วเนี่ยเราเข้าถึงมาแล้วเวลาที่เหลือเนี่ในร่างกายที่มันแก่มันเจ็บมันตายแล้วะมีทุกเกิดใช่ไหมเพราะมันไม่ใช่เราเราคือจิตวิญญาณจิตไม่มีวันตายนะคนจิตเขาบอกยในสื่อหริมผู้สื่อคนอีก้องตายแต่จิตไม่มีวันตาย และจิตมันไปนเกิดใหม่อยู่ในร่างดีขึ้นรเร็วลงพระเจ้าที่เหนกําำหนดไม่มีโกงแกล้กังที่มันขึ้นอยู่ในจิตนั่นแหะเป็นตัวกําหนดว่าเราต้องไปเกิดอยู่ในร่างดีขึ้นรเร็วนอกจากเรามารู้ธรรมขั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ต้องมาเห็นว่าการเกิดหรืแล้วนะครับก็วางปัจนจนัยบางทีเมือนนะ่อเรารู้อะไรหนากระด้งหนามันเป็นยานอย่างรู้อย่าง บางคนเป็นฝันก็เห็นเลขสาโตัวไปซื้อถูกเลยนะพรุ่งนี้ตั้งใจจะฝันฝันต่ออันนี้ไม่ของจริงนะอันนี้บวกอุปทานเข้าไปนะเอาเป็นว่าจริงก็เวี่ยนจิไม่จริงก็เวี่ยงจิงโอเคนะครับมีคำถามใหม่ครับมีไหมครับ 28ปีพ่กปูลองหมดแล้วถ้าทุกคนลองเอาอมยาอมเนี่ยนะครับแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็กาหนดมาลิ้นรถที่ลิ้นเนี่ยแล้วมารู้ที่ใจมันจะเกิดแรงดึงมันก็หมุนได้แต่มันเร่งไม่ได้นะหลวงพ่อคงท่าใช้ลมหายใจคือกลิตแต่ต้องซื้อให้มันถึงใจแต่เราพูดโเนี่ พุทธยากก็รู้สั้นก็รู้มันไม่มีพลังแต่บันทรั้งมันจะเอาวมีชนใจพุ่งเดือบพุทไม่จะเกิดแรงเหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้พ่อครูไม่ได้นําให้ใช่ว่ามันฝนธรรมชาติมันกระทืบใจโดยตรงมันจะเหนื่อยแล้วถ้าเราทําบนั้นไม่ได้กี่นาทีสุดท้ายพ่อครูก็มาเลือกเสียงเสียงนี้ผู้ปฏิบัติไม่ต้องทําอะไรเลย นะเราสร้างเสียงให้ได้เราเล่งก็ได้เปาก็ได้แรงก็ได้มันต้องเร็ว <Bund> มันต้องแรงไม่ได้มันซุ่มความคิดไม่ได้ความคิดมันจะมาครอบงำเราตลอเวลาที่เมื่อกี้เราเต้นหนึ่งแรงไม่ใช่มันเลือกที่มันก็ยังคิดอยู่แต่มันมันเข้ามาครอบงาเราไม่ได้เห็นไความคิดไม่ใช่เราความคิดคือกิเลสที่เราสร้างขึ้นทุกวันนี้เราต้องต้องวางคิดไม่มีอะไรต้องคิดกังวลคิดห่วงใยคิดสงสัยและกัวล อันนี้แหละคือเป็นเทคนิคที่ทาให้จิตเราเนี่ยมีที้ก่อนทาไม่น า, นานเนี่ยจะมีพลังต่อไปเนี่ยเราจะใช้ความคิดเมื่อเราจะใช้ันทุกวันนี้เราถูกความคิดเราครอบกักตลอดคิดดีก็ดีใจคิดร้ายก็เสียใจนะครับก็ขอแก้วชิปได้เพียงแต่ว่าใช้เป็นาบบภายในนะเพราะว่าเรื่องนี้เรากำลังเซต up ระบบ เสียงของเราเองถ้าของเราพไม่มีที่กระสินเดินแต่การที่มีเขาเกิดพวกคูเดี๋ยวเารเาคำพวกครูไปจดนี้พวกคูก็ใช้ไม่ได้โลกนี้ทํำไมเป็นอย่างนี้ทุกวันนี้สมมติว่ามันมีเครื่องเืออย่างหนึ่งเขาโฆษณาว่าดีที่สุดคาว่าดีที่สุดเราไม่ใช้ไม่ได้นะเขาาภาษาซึ่งไม่ใช่ปู่ปย่าตายายกขเป็นตั้งขึ้นมาเนียครับเขาเป็นที่กิะสินมันรู้ตัวคิดได้ยังไงมันขี้เหนียวขนาดนั้นนอะ เห็นไหมเขาก็พลาดโอกาสในการให้นะเอาภาษาเป็นที่กระสินหมดเพราะเอาผลประโยชน์เป็นที่ตั้งก็เลยพลาดโอการในการให้ต่ามชาตินะพวกเราก็ไม่ไม่ทำไรสมมติเระคุณอยู่มันก็ระวางเพราะกูไม่ได้กลวอะไรหรอพระกูเราไม่ใช่ธุรกิจมีแตัง่าไม่ธุรกิจกับท่านเขาเดินมาเลยเรานะ เนี่ยกว่าเราทุกวันนี้ใ้แคบมากโอเคนะครับน้ำใจกับกูเหนื่อยมากนะฮะต้อง ก, การไปพักผ่อนนี่มีต่างต่าง เข้ใจรู้ปัญหาถึงพ่อแม่สา เราอยากได้ไม่พอเลยในยเรื่องเลยจะให้นะครับนะเมื่อเราอยากสมมูรณ์พอเราสูญเสียสิ่งที่เราล้างลเนี่ยมันก็กระทบกับทกระเทือนด้วยเราก็ทุกข์กับตรงนั้นจริงๆแล้วปฏิบัติมาเราเห็นทุกข์มันยังอยู่ดีดีแล้วนะไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมว่าเรามีทุกข์เป็นประธานเกิดมาวันแดกก็แหกปากลองแล้วไงแต่เนะ บ, บอกว่าทุกข์เพเกิดแก่เจ็บตายจริงๆแล้วถ้าเราเข้าถึงธรรมแล้วเนี่ย เกิดแก่เจ็บตายไม่ได้แปลว่าทุกมันเป็นธรรมดาตอนนี้พ่อคูแก่68ปีนะไม่กระทั่งความแก่ถ้ามันเจ็บไม่กระทั่งมันตายมัทําอะไรพ่อคูไม่ได้พ่อคูจะไม่ทเพราะแก่เจ็บตายยึดต่อไปร่างกายมันแก่มันเจ็บมันตายไม่ใช่เรื่องเรานะครอบครัวญาติพี่น้องเราสร้างเห็นมาด้วยกันแล้วก็สร้างครอบครัวเราก็อยู่ด้วยกันแล้วก็รักใคร่กันเพก็กลายเป็น ว่เคยชิดแล้วว่าเราสูญเสียนะเราก็รู้สึกทุกข์เพราะเราไม่อยากสูญเสียไอย้ตัวยหญ่คือที่มาของทุกนะครับใช้เวลาหน่อยหนึ่งื่อยๆทุกนะคนยังมีความอยากแต่เรจะอ่อนลงอ่อนลงนะถึงเราสูญเสียสิ่งที่เรารักไปเนี่ยสมัยก่อนเราทุก100ยร็นะืออยู่50าหลืออยู่ี่สิบนะใช้เวลาหน่อยหนึ่งทีนี้ไอ้ตัวทําลายความอากก็คือทานศีลภาวนาที่ปฏิบัติได้ส่วนหนึ่ง นะครับแล้วก็บางทีมันอยากเราก็ใช้ตัวสินของพอบแม่มาหน่อยหนึ่งบังคับมาหน่อยนึงเอออย่ไปตาามความอยากแล้วก็ต้องให้ทานบ่อยๆโดยเฉพาะเรื่องอภัยทานต้องให้บ่อยๆนะครับนี่แหละคือว่าอย่างประมาณบางทีเราลากเื่นมาตลอดเวลาดูๆก็เกิดอุบิเหตุเห็นไหมบางคนบอกลกมาดีๆอยดูๆเกิดอุบัิเหตุเกิดอุบัติ ตายจากกันเลยถามว่าธรรมชาติทำไมโหดร้ายอย่างนี้นะธรรมชาติไม่ได้โหดร้ายทําไม่ได้ธรรมชาติไม่เคยบอกเลยนี่คือนี่คือคนที่คนรักนี่คนลักคนนะเรารักเองนะไม่ได้บอกเลยนี่พ่อนี่แม่นะนี่ลูกนะนี่คนรักนะเราสมมุติขนะึ้นใหม่เองไงเห็นไหมมีแม่กว่านหนึ่งพ่อวลูกกเป็นทิกที่สะพานลอยหลายปีก่อนที่พิมพ์ล ง, ง, งกากของเทพ ตำรวจก็สิรู้ไปจากแม่ได้ทีนี้พ่ปู่ก็บอกเด็กที่สุดเด็กๆเ็กสนอเป็นลูกมันนอก่อนมันนอถนนลูกที่บ้านเลี้ยงไก่ไหมเลี้ยงครับเลี้ยงค่ะมันออกออกไข่ที่ออกลูกมันออกไข่ค่ะออกทีละฟองแล้วอู้เยอะมากหลาพฟองมันออกไข่เนี่มันทํำยังไงมันก็ฟักไข่ค่ะฟักเป็นตัวแล้วมันทํำยังไงมันก็พารูมันทำมาหากิน วันหนึ่งมีหมาตัวหนึ่งมากัดลูกมันต่อหน้ามันสู้ไม่ได้มันก็ไม่ร้องไห้ก็พาลูกที่เหลือไปทำอาหารกิเพราะมันยอมรับความเป็นจริงแล้วถามว่าเคยเห็นแม่ไก่เอาลูกไปทิ้งสะพานลอยไหมเด็กตอบไม่เคยคทำไม่เคยครับเพราะอะไรเพราะมันมีคุณธรรมคุณทําคืออะไรคือคุณสมบัติต่างธรรมชาติไม่ต้องสอนแต่ตอนนี้คุณทําเราหายไปไหนหมด ว่าเราถูกความรู้กิดมันพองกันมนะมีความอยากกันเห็นไหมลูกไก่มันถูกฆาไปมันไม่ร้องไห้แต่มันก็ไปริงรูกมันเหมือนแม่เนี่ยทิ้งลูสี่สะพานหน่อยเห็นไหมเพราะความรู้ของแม่อยาเลี้ยงถ้าเป็นพาราแค่นี้เราก็ยากจนแล้วไก่มันไม่ทำถ้าหมดคือเราต้องแต่งขึ้นมาเองนะเราถูกอย่างเดียวเราต้องช็อหน้าจิตใจให้โปร่ใสแล้วต่อไปเราต้องสูญเสียนแนะ่ๆจังพวกคุณได้่างประมาณ รักกันแค่ไหนสักวันหนึ่งก็ต้องจากกันนะจากกันแน่ๆมันต้องตายจากกันอยู่แล้วถ้าเราไม่เตรียมตัวเต็มใจเราจะทุกข์ยิ่งรักยิ่งทุกข์มาเปลี่ยนความรักให้กลายเป็นความเมตตาการุณาผุ้นนิตาผู้เกยาไม่ใช่จกันนะโอยิ่งดูแลกันและกันมากขึ้นนะแต่เปลี่ยนอารมณ์ให้กลายเป็นความเมตตาแต่ความรักมันแฝงด้วยความโลกที่จะเป็นของฉัน คุณหมอก่อนหนึ่งไม่ไดพูดเรื่องหมอในช่งนี้เพราะว่าเขาเมยนะภรรยาแกเป็นพยาบาลพรากูบอกลักโลกหมดลงมันมันถูกยกมือเลยรักได้มันจะทุกได้ยังไงเอาบอกคุณรักคุณหมอไม่รักถ้าวันไหนคุณหมอถูกแจ้งไปรักไหมไม่ใช่ไม่รักไม่บอลไม่ใช่ไม่ลักเฉยๆนะแขนนี่ต้องชำรักษสิปียังไม่สายถ้าลักจริงๆคุณหมอไม่มีความสุขต้องรับมรณาสาทุกสิ่งนี่ยักอีกแฟงเรืความเห็นแก่ เปลี่ยนความรักให้กลายเป็นความเมตตาต่ารู้น่ามุทิตามุ่เวกาโอเค้าใจไหมครับ เฉพาะให้กลับมาให้ความเชื่อมัน่นความศรัทธาและกำลังใจในพวกเราที่จะเดินต่อไปในสังเก